ตั้งใจจริงๆเลยจิตตานี่นะวิมังสากับปัญญาเนี่ยตอนนี้คาว่าจิตตานี่แต่ก่อนที่ผมไม่ค่อยเข้าใจนะไม่คอเอ๊ะมันมาด้วยจิตตะมาได้ยังไงนี่นะถ้าพูดถึงว่าถ้าทําอะไรด้วยจิตตะเนี่ยนะท่านเคยไหมถ้าวิริยานะเราเห็นนะเออมีความเพียรตั้งใจจะมาอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมฉันถ้าก็พอใจจะมาใช่ไหมตอนนี้จิตตานี่ยังไงลองคิดดูสบารกิ ถ้าจิตตาหนี้นะสังเกตดูนะมาโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องเพียรอะไรมาเด็ดเดียวเลยนะ<ม>เช่นสมมุติว่าเช่นทําบุญนะ<ม>เช่นสมมุติว่าเราทําทานนะฉันทะให้<ม>อวิริยะก่อจะให้ต้องใช้ความเพียรหน่อยนะ<ม>ถ้าจิตตานะให้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยรู้ไม่รู้สึกอะไรเลยให้โดยแค่ว่าเหมือนกับไม่ได้ไม่ไม่ต้องมานั่งค่าควรไม่ต้องคิดเลย ผมจะสังเกตดูนะอย่างเวลาผมทำทำทานเนี่ยนะผมซื้อสตัมทิงเป็นร้อยอยบาทนะเพื่จะติเป็นค่าส่งหนังสือให้เนี่ยผมมานึกเอ๊ะเราควักออกมานี่ไม่ได้เคยคิดว่ามันเป็นการเสียสละหรือว่าเป็นการทําบุญทําทานไม่ได้คิดเลยนะควักออกมาแบบที่เรียกว่าเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของเราอ่ะใครๆรไม่รู้สึกอะไรเลยนะอ้อเลยมารู้ว่าอ้อถ้าจิตนะ ถ้าจิตอ่อนหรือว่าถ้าจิตที่ไม่มีกําลังในเรื่องกุศลนะทำทําไม่ได้ไไดเพราะฉะนั้นคาว่าจิตตาเนี่ยหมายความว่าหมายความอย่างเงี้ครับคือต้องต้องแรงหน่อยนะส่วนปัญญาวิมังสานั่นไม่มีปัญหาถ้าท่านจะมานี่นะท่านใคร่ครวญด้วยปัญญานี่เยี่ยมเลยอ่ะท่านมาโดยไม่ต้องนั่นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมาม า, มาเราคิดดูว่าท่านมาแบบไหนมาฉันท์ท่าท่านมาแบบไหนวิริยะต้องเพี้ยนไหม มาไม่มาต้องเชียร์หมเ้ยมาอ่ะวันนี้ไม่มาเออชวนไม่มาเออมามาก็มาดีว่าเอามาเขาไปไปก็ไปอะไรมีไหมมีนะบางคนก็เป็นอย่างนั้นนะบางคนอมแน่นอนเด็ดเดียวไปบางคนบอกอืมนี่คือสาระของชีวิตไปนะอกต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นนะไอเจตนานี่มันต้องต่างกันแน่นอนเจตนาที่จะมานี่ต่างกันแน่นอนหนักเบาต่างกันเพราะฉะนั้นปฏิสนธิกรรมชรูปต่างกัน สรุปท้ายเลยนะกรรมัศาปัญญาวันนี้ก็คงต่อในลักษณะสูตรนะใช้ยาวเหลือเกินเรื่องนี้รู้การพิสูจนทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนละคำสอเสียดเว้นขาดจากคำสอเสียด ฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นี้แตกร้ากันนะถึงสิ่งนั้นเป็นสิ่งจริงแต่ถ้าเราพูดแล้วเขาแตกกันเราก็ไม่พูดแตงควาไม่เอาคำไม่คาบข่าวฝั่งนี้ไปบอกข่าวฝั่งโน้นเพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้ากันสมานคนที่แตกร้ากันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันแล้วบ้าง ชอบคนผู้พร้อมเพียงกันยินดีในคนผู้พร้อมเพียงกันเพลดิดเพลินในคนผู้รู้พร้อมเพียงกันกล่าวแต่ถ้อยคำที่ทำให้คนพร้อมเพียงกันไม่ยินดีในการแตกแยกอันปัจจัยที่เป็นเหตุให้การแตกแยกก็คือการเอาข่าวฝั่งนี้ไปบอกฝั่งโน้น ท, ทั้งทั้งที่ว่าพูดแล้วไม่ได้ก่อประโยชน์สร้างสรรอะไรแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ก็กล่าว นั้คำพูดเหล่านั้นเนี่ยเป็นคําพูดที่ว่ามีโทษบางคนก็บอกว่าจริงนะเขาว่าคุณมาอย่างเงี้ยเขาว่ามาจริงๆนะแต่ว่าเราพูดแล้วมันได้ประโยชน์อะไรกระที่กล่าวว่าความจริงบางอย่างถ้าไม่ถูกกาละไม่ถูกโอกาสไม่เหมาะสมกับสมัยการกล่าววาจา น, นนั้นๆไม่เกิดประโยชน์นั่นแหละจริงเขาด่าเราจริงแต่ว่าแต่คนที่เอามาบอกเนี่ยทําไมต้องบอกเราด้วยใช่ไหมสมมุติถ้าหากว่า มีคนคนหนึ่งอะนะเขาด่าเราอยู่ไกล้มากเลยเราไม่รู้สักหน่อยเลยนะโสตะวิญญาณเราไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียงชนิดนั้นเลยอีกคนหนึ่งมาบอกว่าคุณเนี่ยนะกําลังถูกเขาว่านะคนนั้นเขาว่าคุณอย่างนั้นๆทีนี้เราก็ถามว่าคนที่พูดมีความประสงนะถ้าลักษณะโสเสียดประสงสองอย่างประสงค์ว่าเราจะได้เป็นที่รักของคนพูดูดถูกบอกนะกระฆากับว่า เราจะได้เป็นที่รักที่พอใจเมื่อเราเล่าให้ฟังอย่างนี้นะเขาจะพอใจเรามากอันนี้ก็ลักษณะของสอนเสียดอย่างหนึ่งสอนเสียดอย่างที่สองก็คือประสงค์ให้คนสองฝ่ายเนี่ยราวกันที่จริงบางทีคล้ายๆกับแก้วมันแค่เปรีดใช่ไหมเอาอะไรไปงัดๆ ง, ắt, ง ắt ัดงัจริง อ, ะอ่ะเรื่องมันยังไม่ทันแตกหรอกมันราวห์หน่อยๆมันประสานกันได้แต่คนที่คาบข่าวไปเนี่ยไปงัดไปเรื่อยนะพูดเนี่ยใสอารมณ์หน้าดูเลยนะ บางทีมันไม่เด็ดถึงขนาดนั้นเนาะในเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นแต่คนที่เล่าเนี่ยโอ้เป็นจริงเป็นยังไปหมดเลยเขากโกรธเราหน่อยเดียวนะเราไปเสริมเติมแต่งใ ส, สรรร่สีสันจนนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ก่อเสศเนี่ยมีโทษมากมายมหาศาลซึ่งในเรื่องของโทษส่อเสียดซึ่งจะได้กล่าวในเรื่องของกรรมบทนะแต่ว่ามาดู อ, อนิสงค์ของการกล่าวทําให้การพร้อมเพียงกันตถาคต เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสังสมพ่อพูนภัยบุญครั้นจุติจากสวรรค์นั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการคืออันนะอันนี้สนใจงไหมถ้าไม่สอเสียดนี่จะได้เป็นยังไงพองมีพระทนสี่สิบี่นะมีฟันอยู่สี่สิบี่มีพระทนคือฟันไม่ห่างกันคือฟันไม่น่าเกลียดเหมือนกัน เป็นคนที่ฟันฟันสวยอย่ะนี่คืออา น, นิสงค์ของการไม่ส่อเสียดแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ฟันไม่ค่อยดีนั ก, กอ่ะนะแสดงว่าทําเหตุมาไม่ดีประเภทส่อเสียดไว้ค่อนข้างมากหน่อยะพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพละลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิของเรานี่มีแค่สามสิบสองซี่นี่จะไปเอาออกกันแล้วมันเกินนะพระองค์นี้มีสี่สิบซีแต่ไม่มีปัญหาเลยนะในเรื่องฟันของพระองค์ นะพระทนเนี่ยโอ้โหทองบอกปวดฟันและเกินมานี้ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีสุขภาพดีที่สุดเลยฟันเนี่ยดีเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลพิเศษคือบริษัทไม่แตกกันนะผู้ที่มีลูกน้องมีบริวารบริหารแล้วก็บริษัทไม่แตกแยกกันนะพวกลูกน้องเป็นต้นพวกคนในบ้านไม่แตกแยกกันนี่เป็นอธิสงพิเศษที่มาจาก พูดที่รักษาคําพูดโดยที่ไม่พูดให้คนแตกแยกกันเพราะฉะนั้นบริษัทของพระราชานะไม่ว่าจะเป็นพระามขึ้นหาบดีชาวนิคมชาวชนบทโฮราจารันมหามาตกองทหารประตูมหาอมาต็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นราชกุ ม, มารไม่มีการแตกแยกกันียกว่าไม่มีการผู้ใดคิดประท้วงง่ายๆไม่มีใครประท้วงทําให้หรือว่า ใครไปเสียมเขาให้ชนกันในในหน่วยงานนั้นๆไม่มีแต่ถ้าเป็นหัวหน้างานนั้นนั้นลูกบริวารไม่แตกกันแต่ถ้าหากว่าบริวารแตกกันบ่อยเนี่ยแสดงว่าเหตุประเภทนี้เจริญไว้แล้วลนั่นแหละยุติธรรมแล้วคนมีลูกเยอะๆลูกทะเลาะกันนัวนเนียนี่ถ้าจะอย่างนี้นะครับประเภทนี้อาจารย์บบางคนเนี่ยลูกไม่ไ ม, ไม่ทะเลาะกันเลยนะทะเลาะกันน้อยมากบางคนเนี่ยแทบไม่กระทบกระทั่งกันเลย แต่ว่าของลูกของแม่บางคนเนี่ยโอ้ย เ, เหมือนกับถือปืนพลัอันนะั่นแหละจะควักสวนกันอยู่เรื่อยเลยอะ่ะมีสองคนนะทะเลาะ ก, กันน่าดูเลยครับมีแค่สองคนนะผมเห็นมาแล้วเช่นทานี่สองคนนี่ก็โอ้ยเรื่องราวใหญ่โตไปหมดเลยอันนี้ก็มาจากเหตุที่ที่ไม่ค่อยดีนะักกันไะเมื่อถ้าหากว่าท่านออกพนวตดจะได้เป็นพระอรหันต์ตระสมาสัมพุทธเจ้า มีลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อ น, นี้คือบริษัทไม่แตกกันบริษัทของพระองค์ที่ไม่แตกกันเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรเป็นนาคเป็นคนธรรมบริษัทจะไม่แตกกันส่วนใหญ่แล้วบริษัทของพระผู้มีพระภาคไม่แตกกันแต่ว่าในเมืองโกสัมพีก็แตกกันอยู่เหมือนกันขนาดพระองค์ไปห้ามก็ไม่เชื่อแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทําเหตุไว้ในอดีต นั่นแหละถ้าหากว่าตอนหลังจะเอาพุทธาประทานนะพูดพูดถึงบุพกรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีว่าไอเหตุที่ที่ไม่ดีพระองค์ก็ทำมาเยอะนะสมัยเป็นพระโทธิสัตว์เนี่ยมันขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะมันยังตามให้ผลอีกนั่นแหละทำไมสเกตเห็นจึงโดนพระบาททำไมพระองค์จึงบรรลุไอปฏิบัติธรรมหลายปีกว่าจะได้บรรลุเห็นไห ทำไมพระองค์จึงปวดพระเศียรมากทําไมพระองค์จึงถ่ายบางคนเป็นเลือดอะไรไงพระองค์เนี่ยบอกไว้เหตุหมดพระองค์มีเหตุทําไม้หมดหรือว่าพระองค์ทําไมอันิสงส์ข้อนี้เช่นโอ้โหคนสการะนับถือมากมายมหาศาลเพราะกรรมอะไรเนี่ยพระองค์เล่าไว้หมดเลยนั่นแหละอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์เนี่ยไปเสด็จไปที่เมืองไผ่สาลีฝนโบกคราพตกลงมาพระเจ้าพิมพิสารก็โอ้โหรับส่งรับเสด็จเนี่ยอย่างดีเลย พวกนาฏพวกเทวดาทั้งหลายก็บูชาพระองค์มากมายมหาศาลนะกษัตริย์ลิาวีก็ต้อนรับพระองค์เป็นอย่างดีเลยพระองค์เล่าว่ากรรมเล็กน้อยที่พระองค์เคยทํากับพระพระธาตุพระประเจกับพุทธเจ้าว่าไงพระองค์ก็บอกว่านั่นเป็นผลของกรรมเล็กน้อยที่เราเคยทําไหมพระองค์ก็บอกว่านั่นเป็นผลของกรรมนะไม่ใช่มาด้วยผู้ฐานุภาพนั้นพระองค์นั้นทําทั้งผลดีและ ที่ไม่ดีแม้แต่ที่ผลดีเนี่ยพระ อ, องค์ให้ทานมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินของพระ อ, องค์เนี่ยจึงมากมายมหาศาลนั่นแหละเขบอกว่าท้าน้ำน้ำมันเนี่ยนะน้ำมันหรือว่าน้าผึ้งเนี่ยเป็นโกดังโกดังอะ่ะมีมากมายมหาศาลวนหนูเนี่ยวิ่งมันพล่านไมหมดแหะทรัพย์สินของพระ อ, องค์เนี่ยมากมายจริงๆท่านเขาบอกว่าบารมีที่ ท, ทรงบําเพ็ญมาเนี่ยนะไหลทะลักมาให้ผลในชาติสุดท้าย จะรีบมาให้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวพระองค์นี้ผ่านแล้วอดให้เลยอันวิบากดีๆก็จะรีบมาให้อั้นพระองค์นั้นจึงเป็นที่รักที่เคารพสักการะเพ่ทูลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์นั้นเป็นสุขุมาราชาตเสนาสนะเนี่ยต้องเชื้อเชิญจึงจะใช้ให้มันนี่มนบางทีไม่ใช้ให้จีวอนเหมือนกันต้องอ้อนวอนโอ้ยขอให้พระองค์ใช้ให้ทีเถออย่างเงี้ยอาหารมินทบาทก็เหมือนกันโอโอ้อนวอนมากอันเขาจึงเรียกว่าสมมณสุขุมาร สมะพูดละเอียดอ่อนหนังเงเพราะว่าพระองค์นี้ทรงสั่งสมบูรณ์ไว่มากมายมหาศาลทีนี้ต่อไปว่าพระมหาบุรุษไม่ได้กล่าววาจาอันส่อเสียดทำความแตกกันแก่พวกที่ดีกันทำความวิวาดเป็นเหตุให้แตกกันมากไปทำการที่ไม่ควรเป็นเหตุให้ทะเลาะกันมากไปทำความแตกกันให้เกิดแก่พวกที่ดีกัน ได้กล่าววาจาดีอันทำความไม่วิวาดให้เจริญอันยังความติดต่อกันให้เกิดแก่พวกที่แตกกันบรรเทาความทะเลาะของชนมีความสามัคคีกับหมู่ชนยินดีเบิกบานกับประชาชนย่อมสวร์วิบากอันเป็นผลเบิกบานอยู่ในสุขติมาในโลกนี้ย่อมมีพระทนไม่ห่างเรียบดีและมีพระทนส4เกิดอยู่ในพระโอษฐ์ตั้งอยู่เป็นอย่างดีอะนะ ฟันเฉยๆนี่ก็เป็นตราบุญตราบาปนะถ้าฟันใครไม่ค่อยดีนักเนี่ ย, อยของอาตมานเนี่ยต้องพาเลยเนะอันนี้ตราบาปไงี้ง่ายเลยไม่ใช่ตราบุญแอ้คนตราบุญนี่ก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องฟันเลยสุขภาพฟันนี่ดีตลอดถ้าพระองค์เป็นกษัตริย์เป็นใหญ่ในแผ่นดินจะมีบริษัทไม่แตกกันหากพระองค์เป็นสมณะจะปราศจากกิเลสปราศจากมนทินบริษัทของพระองค์จะดําเนินตามไม่มีความ วันไวนะันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีบุญเน อ, อการใช้วาจานี่สาคัญมากเลยนะอย่าไปเป็นบางช่างยุบางช่างแย่ให้เขาแตกแยกกนันถ้าหากว่าเรารู้จักใช้วาจาวันวันหนึ่งกุศลจิตเราเกิดบ่อยนะถ้าหากว่าสังวรที่จะใช้วาจาเมื่อวานกล่าวถึงการใช้ใช้สายตาใช่ไหมการใช้สายตายัางเป็นกรรมเลย เหลียวตาเหลียวซ้ายแลวขวากลิ้งกรอกสายตายไปมาเจตนาที่เป็นเหตุให้กลิ้งกรอกสายตายไปมาก็เป็นเป็นกรรมด้วยเมื่อเป็นกรรมเนี่ยนะมีผลเลยเนะทำให้สายตายเป็นอย่างไรการใช้วาจาของเราก็เหมือนกันก็เป็นเหตุนะเป็นนิมิตเป็น น, นิมิตแห่งกรรมเลยน ะ, ะใครอยากฟัน ง, งามๆฟันดีๆก็รักษาวาจาให้ดีๆหน่อยเนาะถ้าใช้วาจาดีก็ พวกฟันพวกอะไรจะได้ไม่มีปัญหาใครที่มักปวดฟันบ่อยๆเนี่ยก็อย่าลืมเหตุประเภทนี้ไว้จะใช้วาจา์นึกถึงนี่ไอ้ที่ปวดฟันก็เพราะใช้ลิ้นไม่ถูกประเภทนี่แหละทีนี้ต่อไปว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกําเนิดก่อนละคำหยาบเว้นจากคาหยาบกล่าวแต่คาที่ไม่มีโทษ เพราะชวนหู น, นะนเรียกว่าเพราะหูชวนให้รักจับใจชนส่วนมากรักใคร่ชอบใจนะเรียกว่าใช้วาจาที่ที่คนฟังแล้วเขาประทับใจเลยนะเรียกว่าฟังแล้วเขาเขามีความสุขอะเมื่อได้ฟังวาจาอย่างนั้นโอ้เป็นวาจาที่ไม่มีโทษเลยะนะซึ่งไม่ระคายเครื่องหูแม้แต่นิดเดียวตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทรรมสังสมพอกพภูนภัยบุญครั้นจุติจากสวรรค์นั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปริศลลักษณะสองประการคือมีพระชิวหาใหญ่นะเชิวหาใหญ่นี้ก็คือมันใหญ่จนขนาดว่าแผ่แปกแผ่ปกหน้าได้เพราะฉะนั้นแต่บางคนเนี่ยลิ้นมันตันอ่ะลิ้นมันตันทีนี้พูดเนี่ยจะมีปัญหาในการใช้คามาก ภาว่าใช้ก็พูดแล้วลิ้นมันรัวไม่น่าฟังเลยก็มีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับลิ้นนะใครที่ใช้คําหยาบมากๆเนี่ยลิ้นจะมีผลกับลิ้นมากมายหรือบางทีเนี่ยกลายเป็นลิ้นที่ขยายไม่ได้ใช่ไหมมันแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นแหละพูดก็พูดยากนะกว่าจะออกมาแต่ละคําแต่ละคําเนี่ยพูดไม่ชักอะ่ะอเงี้ยมันพูดยากจริงๆเลยเพราเหตุประเภทนี้ทําไว้และอีกอย่างหนึ่งนะการไม่ใช้คำหยาบ ทำให้พระองค์มีพระสุรเสียงดุดเสียงพรหมเออนะอย่าใช้คําหยาบเนี่ยคำหยาบเป็นยังไงเอามาไปหลับให้สบายซะอย่างงี้หยาบไหมเอาไปหลับให้สบายให้มันหลับตลอดกาลอย่างงี้หยาบไหมอา่านี่หยาบนะเพราะจิตมันหยาบอะ่ะนะก็คือพูดจิตด้วยโทสะนั่นแหละขดจิตที่ที่เป็นโทสะนะถึงจะพูดเพราะ เออเอามันไปหลับให้สบายนะหลับตลอดการเลย <c oughs> อันนี้ก็โทสะนะนี่ก็ชื่อว่าคำหยาบนะ <c oughs> นั่นแหละพะั้นไม่ต้องกล่าวไปยยถึงคำที่ฟังแล้วระคายเครื่องหูเลย <c oughs> น้ำหนักเสียงนี่นิ่มมากเลยนะแต่ด่าอันนั้นก็ชื่อว่าหยาบด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้สองของการใช้วาจานี้นะจะทำให้ เป็นคนที่ลิ้นดีลิ้นงามแล้วก็พัดสสเสียงเหมือนเสียงพรมอ่ะมีสำเนียงดุดเสียงนกกระเวกเขาว่านกกระเวกนี้เป็นนกที่ว่าถ้านกนี่ร้องปับ๊บเนี่ยนะสัตว์อื่นๆต้องฟังอะ่ะเพราะมากเหมือนกันทีนี้ว่าเพราะขนาดไหนไม่เคยฟังสักทีทนก็เลยเล่าให้ฟังไม่ถูกแต่พ้ะองคบอกว่าเสียงเพราะมากอ่าถ้าหากว่าผลอันนี้นะ ถ้าไม่ออกบวชเป็นพระราชาจะได้รับอ น, นิสงค์คือมีพระวาจาอันชนเป็นอันมากเชื่อถือคนนี้เชื่อถือชนเป็นอันมากเชื่อถือถ้อยคําของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพรามหมณ์ครือหบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจาร์อา ม, มาดกองทหารนายประตูอํา ม, มาดนะหรือว่าเป็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นราชกุ ม, มารคนนี้จะเชื่อถือในวาจาของพระองค์ ถ้าทรงออกผนวดจะได้เป็นพระอาหารหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระวาจาอันมหาชนเชื่อถือมหาชนที่เชื่อถือพระวาจาของพระองค์เป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูนนาคคนทัน คนเหล่านี้ก็จะเชื่อถือในพระวาจาของพระผู้มีพระภาคมากถึงกับยอมปฏิบัติตามเลยนะเชื่อมากเนาะของเรายังมาปฏิบัติตามของท่านเลยเพราะว่าเราเชื่อถือในพระวาจาของพระผู้มีพระภาคแต่ถ้าหากว่าพระองค์เนี่ยอดีตชาติพระองค์สะสมคําห ย, ยาบมากนะเราไม่มาเชื่อถือคําของพระองค์แล้วแต่เพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีวาจาที่ทินท่าเชื่อถือเพราะทําเหตุที่ดีไว้ออบางคนเนี่ยพูดดีนะเนื้อหาคําพูดก็ดีแต่ไม่คนไม่ขอทําตาม คนไม่เชื่อถือในถ้อยคําเคยเห็นนะบางคนนี่ก็พูดเพราะดีพูดดีพูดเพราะนะแต่คนรับฟังไม่ได้คนพอพูดปั๊บเนี่ยคนเกลียดเลย้าก็ไม่ได้พูดก็พูดดีนะบางคนก็พูดธรรมะนะแต่พอคนนี้เอ่ยคําธรรมะแค่คําเดียวขึ้นมาปั๊บเนี่ยคนเนี่ยอยากกรหลบเลยนะเมินเลยอะนะคนเนี่ยเมินเลยนะเพราะเพราะเหตุประเภทนี้ทําให้คนเนี่ยไม่ยินดีที่จะฟังนะพวกกรรมเนี่ยไปดูถูกมันนะ พระมหาบุรุษไม่ได้กล่าววาจาหยาบทําความด่าความบาดหมางความลําบากใจความเจ็บใจอันย่ำยีมหาชนเป็นคําชั่วร้ายคําประเภทนั้นไม่มีได้กล่าววาจาอ่อนหวานไพเราะมีประโยชน์ดีกล่าววาจาแสดงว่าเป็นวาจาที่กล่าวด้วยเมตตาจิตนั่นเองใช่ไหมไม่พูดคําหยาบจิตที่ไม่หยาบก็คือจิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตาหรืออาโทสัต เป็นจิตที่หวังดีปรารถนาดีหวังความอนุเคราะห์อะเป็นเมตตาวาจีกรรมเป็นเมตตาวาจีกรรมมีทั้งต่อหน้าและรับหลังนะก็คือถ้าแบบสำนวนเราๆทั่วไปก็คือเป็นวาจาที่ให้เกียรติกันนะเป็นวาจาที่ค่อนข้างยำเกรงกันเคารพกันวาจารประเภทนี้แหละเป็นเป็นไปกับเมตตา และก็วาจานี้เป็นที่รักแห่งใจอันไปสู่หทยัยสะดวกหูสเสวยผลแห่งวาจาที่ประพฤติ ด, ดีแล ะ, สะเสวยผลบุญในสวรรค์ครั้นเสวยผลบุญแห่งกรรมที่ประพฤติ ด, ดีแล้วมาในโลกนี้ได้ถึงความเป็นผู้มีเสียงดุดเสียงพรมและมีพระชิวหาภัยบูงกว้างมีคําที่ตรัสอันมหาชนเชื่อถือนะผู้และคนเนี่ยเชื่อหมดเลยฟัง ผลนี้ย่อมสำเร็จแก่พระองค์แม้เป็นเครื่อหัดตรัสอยู่ชั้นใดถ้าออกพนวดเมื่อตรัตคาที่ตรัส ด, ดีมากแกมหาชนคํานั้นมหาชนก็เ ช, ชื่อถือชั้นนั้นโดยแท้ดังพระองค์นั้นฉลาดในการใช้วาจาด้วยเนาะคือที่เป็นประโยค่าของพระองค์นี้ก็ดีนีย่ยัเพราะว่าพระองค์นั้นพระวาจาของพระองค์นั้นคล้อยตามพระญาณ คล้อยตามสติคล้อยตามปัญญาเพราะว่าพราะองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพธรรมอันสมุดฐานของคําพูดเนี่ยมาจากจิตที่ดีแล้วเสียงตัวนั้นเนี่ยนะซึ่งฐานของเสียงเนี่ยเกิดจากกรรมอันฐานของเสียงซึ่งเกิดจากกรรมเนี่ยกรรมประเภทดีปั๊บน้ําเสียงก็น่าน่าฟังนะจิตดีด้ว ย, วยกรรมดีด้วยพัน <c oughs> คำพูดของพระองค์ก็เลยดีไปหมดเลยนั่นแหละเลยไม่มีโทษ